วันนี้ก็ถึงวารละพบหลวงตาพามาเอกวันหนึ่งก <c oughs> ารบำเพ็ญการปฏิบัติของเราเดือนละสองครั้งว่ะ เดืยนละครั้งสองครั้งก็ตั้งใจตั้งใจปฏิบัติถ้าเราไม่มีความสนใจเราไม่มีผู้นาไม่มีบริษัทเวลีนาที่นี่แล้วก็ไม่ได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์แต่ละท่านละองค์ก่อนที่จะได้มาพูดให้ฟังมาเทศให้ฟังกทจะว่าท่านฝึก ท่านฝึกท่านฝึกตัวเองเอาความรู้ความเห็นจากการได้ยินได้ฟังหรือว่าการปฏิบัติดูดูตัวเองนั่นแหละทำทั้งหลายเนี่ยน้อมลงมาที่ตัวเราทมทั้งหลายที่ว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนอบรมญาตโยมที่ท่านตรัสรู้แล้วท่านเทศจู สี่สิบห้าปีทั้งหมดนั่นแหละก็รวมลงมาที่กายที่ใจไม่ได้ออกจากนี่ไปที่ว่าแปดหมืนสี่พันพระธรรมขันธ์ก็รวมลงมาที่ใจของเราใจของเราเนี่ยเป็นเหตุเหตุเหตุเกิดตัวนี้กายกับใจมันมีสองอย่างนี่ถ้าไม่มีกายใจก็มาอยู่ไม่ได้ ถ้าไม่มีใจกายก็เกิดไม่ได้จิตใจตัวนี้มาปฏิสนธิจึงได้เกิดขึ้นมาเป็นรูปเป็นตัวคนอันนี้พวกเราที่ว่าเกิดขึ้นมานี่ทุกคนเกิดมาจากพ่อจากแม่ทุกคนที่ว่าได้เวียนไาวตายเกิดมานี่สแสวงหาเป็นคนสแสวงหาทรัพย์สินเงินทองต่างคนก็ต่างหาต่าง เวียนกันอยู่นี่แหละฮะไม่รู้จักว่าไม่รู้ว่าวันไหนมันจะพอมันไม่ค่อยพอนี่แหละโลกเราเกิดมาอยู่แบบนี้อ้เพราะพระพุทธเจ้าท่านก็เกิดมาก็ที่ว่าก่อนที่จะได้มาปาถนาเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งท่านแต่ก่อนท่านก็เป็นผู้หลงผู้หลงเหมือนกันนะกับพวกเราทุกคนที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันหลงเวียนว่ายตายเกิดที่ว่ามาวิ่งตามความอยากได้ นะกามจินเกียดตคนทั้งหลายเกิดขึ้นมาพวกเรามาเกิดมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกอันนี้ก็มาติดอยู่ในกามจินเกียตินะอันนี้แต่ว่าก่อนจะรู้จะเห็นสั จ, จธรรมนะพระพุทธเจ้าท่านทำอย่างไรพวกเราก็ได้ว่าบางคนก็จะได้อ่านพุทธประวัตินะบางคนจะไม่ได้อ่านนะหลวงพ่อนี่ก็ไม่ได้เป็นผู้สืกอาเท่าไหรนะ่นะ การศึกษานี้ก็น้อยอยู่อ่าอ่ารักเนี่ว่าดูพระธรรมวินัยนิดนิดหน่อยหดูนักูวาดแล้วก็ออกปฏิบัติอ่าการปฏิบัตินี่แหละการปฏิบัตินี่ค่ให้อยากนีว่าคนส่วนมากก็ว่าเรียนกันเยอะๆเป็นมหาปริญญาอ่าพวกมหาปริญญาเนี่ก็เหมือนไน้ว่าเป็นแผนเป็นตำราเป็นแปนเป็นแปนแต่คนที่ปฏิบัติเนี่ เป็นการที่ว่าเป็นผู้ปฏิบัตินี่จะได้เห็นของจริงเหมือนกับที่ว่าองคหลวงตาท่านพูดว่าปริยัตเนี่ยมันเป็นแปร์เป็นแปนเป็นผังการปฏิบัติเนี่เป็นการที่ว่าจะวางพื้นฐานที่ว่าทํากุฏิ่งทําเสาตม้อทําขางทําคานเดินคาอะไรก่อจะเป็นศาลาก่อนจะเป็นกุฏิ อันนี้ก็ว่าเป็นการก่อสร้างเอาแปนเอาแผนนั่นแหละมาปลูกสร้างขึ้นจึงได้เป็นเสนาสนะขึ้นมาเป็นบ้านเป็นบริษัทเป็นอันนี้ขึ้นมาได้อันนี้แต่ว่าการปฏิบัตินี่เป็นสิ่งสําคัญความรู้ความเห็นบางคนก็จะได้เรียนมาเยอะแยะกว่าหลวงพ่ออีกนะหลวงพ่อก็ไม่ได้การศึกษาไม่ได้เท่าไรหรอกแต่ก็การปฏิบัตินี่ก็จว่า ก็เอาตัวเองนั่นแหล ะ, ะกด็ดูตัวเองน้อมเข้ามาที่กายที่ใจของเราถ้าจิตของเราเนี่ยมันยังหวงยังหวงยังมีความอะไรยังมีติดอยู่ในรูปเสียงทั้งหลายเนี่ยเราก็เป็นผู้ติดโลกเราก็ไม่เป็นผู้สลัดออกอันนี้ทุกคนที่ญาติโยมที่เกิดขึ้นมาเนี่ยทุกคนก็เป็นเหมือนเหมือนกันมีแต่า อยากได้สิทธต่างๆนี่แหละวัตถุสมบัติเข้าของเงินทองทุกสิ่งทุกอย่างนี่อยากให้รวยที่สุดในโลกนั่นแหะอยากให้ดีที่สุดในโลกครับแต่มันก็ผิดหวังทุกคนต้องผิดหวังถึงจะได้สมหวังเป็นบางครัง้งบางคราวแต่ในที่สุดเราก็ตายจากกันไปตายจากทรัพย์สมบัติทั้งหลายทั้งปวงไปนี่พวกเราเกิดขึ้นมามาผิดหวังอยู่แบบนี้บางทีนี่กว่า เวียนไหยตายเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็มีไม่ใช่ว่าเราจะอยู่ๆถืว่าจะเป็นคนตลอดไปนี่แะอันนีน้การเวียนไหวาตายเกิดของเรามันเป็นวัฏฏทุกเป็นวัฏฏวนมาแล้วทุกคนที่เกิดขึ้นมาเนี่ยปรารถนาอยากมีความสุขแต่ความสุขเนี่ยถือว่ามันสมหวังเนี่ยมันเป็นบางครัง้งบางคราวไม่ได้สมหวังตลอดไปอันนี้พวกเราถืว่าถ้าใครนะ ถ้าผู้ใดนะเกิดขึ้นมาแล้วมาศึกษามาคิดดูที่ว่าเออปู่ย่าตายายของเราพวกเราเนี่เกิดมาอเกิดมาปู่ย่าตายายคนที่เกิดเกิดที่มาก่อนเราเนี่ยพวกเรานั้นตายไปหมดแล้วอพวกเราเดี๋ยวนี้ก็แต่ก่อนก็เป็นเด็กอ่อนเดี๋ยวนี้ก็เป็นผู้ใหญ่เป็นพ่อเป็นปู่เป็นย่าคนมาแล้วออีกต่อไปเราก็จะตายเหมือนกันะกับปู่ย่าตายายคนก่อนๆไป อันนี้แหละถ้าใครคิดแบบนี้ได้ก็ฝึกฝึกตัวฝึกตัวเองนี่แหละท่านเรียกว่าการฝึกภาวนาเนี่เป็นการที่ว่ามาดูล่างกายของตัวเองฝึกดูดูล่างน่ะว่าไอ้ร่างากายของเราเนี่ยที่ว่าที่เราอาสวดอายังคโคเมกายโยนั่นแหละกายของเรามีหนังเป็นที่สุดรอบก็พิจารณาแบบนี้แหละ พิจารณาถ้าใครจับเอาตัวไหนได้ก็จะว่าพิจารณาหนังเนี่ยเอาหนังหรือว่าพิจารณาฟันผมแบบเนี้ยหาเจาะเจาเนี่ยพิจารณาเยื่อในกระดูกพิจารณากระดูกเนี่ยพิจารณาแบบนี้ให้เอาตัวตัวเดียวให้เอาตัวอันเดียวนยวะครับสิ่งสําคัญที่ว่าสติสติเป็นของจุดจ่อที่ว่าถ้ามีถ้าไม่มีสติเนี่ยมันก็ภาวนาไม่ได้ก็เป็นภาวนาไม่ได้ ถ้าคนมีสติมีความอดทนมีขันติมีสติตามรู้รู้เท่ารู้เท่าอารมณ์แล้วก็มีความอดทนมีความอดทนด้วยมีความอดทนเรื่องความที่ว่าสติจดจอที่ว่าไม่ให้กับเพื่อนพิจารณากายเนี่ยพิจารณาห น, นังหนังเน่าของตัวเองเนี่ยให้มันนิ่งอยู่นั่นแหละให้มันนิ่งอยู่จุดเดียว พุทโธพุทโธเนี่ยให้มันขี่จิบพุทโธเนี่ยเป็นสายโซ่พุทโธเนี่ยครั้งแรกๆเนี่ยหลวงพ่อก็ฝึกฝึกกับหลวงปู่บุญจันทร์นั่นแหละถ้าได้ฝึกว่าเอาพุทโธแต่ว่าเป็นสายให้มันเป็นสายโซ่ถ้าเรายังแต่ว่าเผล อ, อเนี่ยถ้าเรายังเผลอสติมันไม่เป็นจิตมันไม่รวมได้แต่ถ้ า, ถาเราพวกเราท่านทั้งหลาย ได้อ่านประวัติพระ พ, พุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านก็ดูลมหายใจนะอ่าดูลมหายใจลมหายใจเข้าออกเข้าออกนั่นแหละลมในที่สุดมันละเอียดเข้าละเอียดเข้ามันเลก็กๆเข้าไปอ่ามันจะในที่สุดลมขาดนั่นแหละเมื่อลมขาดนั่นแหละดูจนลมขาดอ่าถ้าดูพุทโธเนี่ยพุทโธในที่สุดเนี่ยพุทโธต่อเนื่องพุทโธต่อเนื่องในที่สุดพุทโธก็จะหายเหมือนกัน นะในในที่สุดพุดโทโธก็จะหายเหมือนกันแต่อาศัยหลายเวลาน ะ, ะใช่เวลาไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะเป็นง่ายๆน ะ, ะพุโทโธกลัวมันจะหายอันนี้มันไม่ใช่ง่ายเลยอันนี้พุโทโธให้ต่อเนื่องอย่าที่ว่าเอาแป๊บเดียวมันจะเป็นพุโทโธพุโทโธเนี่ยต่อเนื่องเป็นเป็นสายสู้นั่นแหละให้พุโทโธเราต่อเนื่องใจของเรามันถึงที่ว่าจึงจะรวมได้ ถ้าพุทโธต่อเนื่องแต่พุทโธของเรามันอันต่อเนื่องได้แล้วก็ในที่สุดเนี่ยพุทโธมันหายพุทโธหายแล้วเนี่ยมันมีตัวผู้รู้ดยมันอมันเป็นตัวผู้รู้ตัวผู้รู้เนี่ยท่านว่าใจของเรามันเป็นตัวผู้รู้ขึ้นมามันมันมีความรู้อยู่พุทโธมันหายมันก็รู้เราเราไม่ได้หลับเด้แออันนี้ตัวนี้เราไม่ได้หลับเรารู้อยู่ให้ฝึกแบบนี้ ให้ฝึกเข้าไปเรื่อยๆอนจนเจนว่าให้พุโทโธถี่ยิบในที่สุดพุโทโธหายอมีแต่ตัวผู้รู้เราดูตัวผู้รู้นั่นแหละดูตัวผู้รู้นั่นแหะให้จิตของเราที่ว่ามันแน่นแฟ้นเข้าไปเรื่อยๆในที่สุดมันจะเกิดความรู้ความเห็นเกิดขึ้นมาสู้กับทุกขเวทนาเกิดขึ้นคนส่วนมากก็จะว่าเอ อ, เออนั่งไปนิดหน่อยก็ว่าเออเดี๋ยวมันจะเป็นอมภพึกนะเดี๋ยวเป็นอมภาสนะ อย่าไปนั่งทับเส้นทับอันนี้เดี๋ยวมันไม่ดีนะคนจะกระลักตัวแบบนี้ที่ท่านภาวนาได้ครูบาอาจารย์ท่านปฏิบัติเนี่ยท่านสละชีวิตเพื่อทำนั่นแหละไม่ใช่ท่านทำเล่นๆเนี่ยต้องทำได้ว่าให้เด็ดขาดต่อตัวเองนั่นแหละจิตของเราจึงจะได้เห็นสัจธรรมไม่ได้ว่าจะเห็นง่ายสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นของไม่เป็นของง่าย แต่เป็นเหลืองที่ว่าสิ่งไม่เหลือวิสัยทำได้ทำได้เกินได้สามารถที่ว่าจะได้รู้จะเห็นได้อันนี้ว่าให้ที่ว่าสละชีวิตเพื่อทำเมื่อใดเรายังยึดว่ากายของเราว่าตัวเราอยู่จิตของเราก็จะไม่ปล่อยไม่วางถ้ามันยึดนะมันยึดว่าขาเราแขนเราตัวเราถ้าเรามีเคี้ยวความคิดประเภทนี้จิตของเรามันมันก็ไม่รวมได้ แต่เมื่ อ, อไรเราปฏิเสธตัวเองนั่นแหละกำหนดให้เป็นธาตุดินนะเป็นธาตุดินนะอย่างไรก็ดูหนังเน่าหนังเน่าของตัวเราเนี่ยพิจารณาศพของตัวเองพิจารณาแบบที่ว่าใจขาดแล้วเวลาเราตายแล้วศพห้าวันศพ ส, สิบวันมันจะขึ้นอืดมันจะเปื่อยเน่าน้ำหนองน้ำไหลน้ำเหลืองมันไหลออกตามทวารทั้งหมดเนี่ยไหลออกดังออกปากนอน ไหลเข้าไหลออกตามร่างกายของเราเนี่ยกําหนดแบบนี้ถ้าเรากําหนดแบบนี้นั่นแหละใจของเรามันจีบว่าจากสมมุติเนี่ยจากตัวนี้เป็นสมมุติสมมุติเอาก่อนครั้งแรกๆเนะี่ยเมื่อจิตของเรามันรวมได้จิตของเรามันมีพลังแล้วเนี่ยจิตของเรามันมันกล้าขึ้นกล้าขึ้นเนี่ยกําหนดเน่าได้กําหนดหนังเน่าได้ดูกระดูกของตัวเองได้นั่นแหละ อันนี้ว่าเหตุปัจจัยที่เราที่ว่าจะเดินเดินเดินมากเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเรียงลําดับอ่าจะเรียงลาดับมันไม่ได้เรียงลําดับถ้าภาวนาจริงๆเนี่ยสู้ทุกขสู้กับทุกขเวทนาให้มันทุกเกิดขึ้นแรงๆอ่าที่มันเก็บมันปวดปวดขึ้นแรงๆนั่นแหละให้ดูทุกเป็นปัจจุบันนั่นแหะกำหนดดูทุกใจของเรามันที่ว่า มันกระเสือกกรสนมันกลัวตายนั่นแหละใจของเรามันกลัวตายไหนๆก็จะตายอยู่แล้วปู่ย่าตายายของพวกเราที่เกิดมาก่อนเราพ่อแม่ของพวกเราตายก่อนพวกเราไปแล้วอันนี้ไหนๆเราก็จะตายอยู่เหมือนกันกันกบท่านนะีอันนี้เราเฝิกตายก่อนตายจริงนะวิธีวิธีหลวงพ่อจะบอกเนะี่ยเพราะว่าได้สู้มาแล้วก่อนที่ว่าที่จะมาพูดให้พวกญาติโยมฟังเนะี่ย หลวงพ่อสู้มาแล้วไม่ใช่ว่ายังไม่มาสู้ด้ไม่ได้อ่านออกจากตำราด้อันนี้เป็นการประพฤติปฏิบัติลู่เองอาการที่ว่าจะได้ลู่อารมณ์ของตัวเองจะสู้กับทุกขเวทนาที่ว่าศรัทธาถ้าไม่มีศรัทธามันก็ไม่กล้ า, ามันมีศรัทธาก่อน อ, อื่นอันนี้ได้ลู่ได้เห็นได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์พอได้ยินแป๊บเนี่ยมันถึงใจ อ้าวครูบาจารย์ท่านมาจากไหนท่านก็มาจากคนน่มันขึ้นมาแบบนี้ครูบาจารย์ก็มาจากคนเหมือนกันทำไมท่านถึงปฏิบัติได้เราเนี่ยมันมีแต่อยากซึกมันเป็นแบบนี้ในช่วงพศยี่บสองมันอยากซึกได้บวชมาบวชมาแล้วเนี่ยคิดว่าจะาจะบวชไปเรื่อยๆแต่พอถึงช่วงพศยีิบสองมันคิดอยากซึกนั่นแหละก็มี มันเป็นเหตุแบบนั่นแหละพอได้ยินหลวงปู่ท่านเทศให้เนี่ยมันถึงใจได้ปะเนี่ยมันถึงใจก้อนกำหนดดูใจของตัวเองเนี่ยดูหนังเน่าของตัวเองกําหนดหนูหนังดูหนังเน่าเนี่ยแต่ก่อนเรากําหนดดูไม่ได้แต่พ่พอถูกล้วงปู่พุนจันทร์ท่านท่านพูดให้ทีเดียวเท่านั้นใจมันเป็นสมาธิเกิดขึ้นมาจะว่าเป็นพลังขึ้นมามันกลัวท่า น, น, นะก็ดูหนังเน่าได้ พอดูหนังเน้วแล้วก็ไปบ้านตาต่อมาเขาได้เปรียบนตาอดไปถึงบ้านตาแล้วก็เสื้อมั่นเกิดความเสื้อมั่นได้ยินองค์ท่านอาจารย์มหาบัวพอศยีย่สิบสองยังไม่เรียกหลวงตาก็ยังเป็นท่านอาจารย์มหาบัวอยู่น ะ, นะพอศยีย่สิบสองท่านอาจารย์มหาบัวท่านเทศให้หลวงพ่อว่าอกุติสาลาเขาไม่ได้เอาไม้เป็นปนเป็นต้นมาทําเขาตัดลงเขาตีโผลออกเขา มาเลื่อยเป็นกระดานเพื่อนกระดานฝากลัวนายช่างเขาจะมาทําสะอาดเขามาวัดมาประกอบกันเขา้ามันง่ายเมื่อไร่แค่นี้หลวงพ่อพอนั่นแหละเป็นแกงหม้อกิว๋วมันเป็นแกงหม้อกิ๋วแค่นั้นก็พอนั่นแหละความเชื่อมั่นว่าองค์หลวงตาองค์ท่านอาจารย์มหาบัวเป็นพระละหัน์อเชื่อมั่นแบบนั้นพอไปถึงหลวงปู่ขาวเนี่ยไปถึงทำกองเพลอะไปนึกว่าเอ้หลวงปู่ขาวเป็นพระละหัน์ เหมือนกับท่านอาจารย์หรือมหาบัวหรือยังคิดสงสัยนะแต่ถ้าแต่หลวงปู่ขาวได้ยินเสียงความคิดล่ะความคิดของเราเนี่ยหลวงปู่ขาวได้ยินนะท่านละเอียดแบบนั้นหลวงปู่ขาวเป็นคนที่มีหูทิพมีตาทิพมีหูทิพหลวงพ่อคิดว่าความคิดของหลวงพ่อน่ะมันคิดขึ้นมาแต่หลวงปู่ขาวได้ยินอ่าหลวงปู่ขาวเป็นพระอรหันเหมือนกับท่านอาจารย์มหาบัวหรือยัง หลวงปู่ขาวได้ยินหลวมปู่ขาวก็ตอบหลวงพอ่อตอบมาโดยที่ว่ า, อาเอากระแสะกิตตอบมาเลยนั่นแหละพอท่านมองมาหาเราเนี่ยเหมือนกับแฟชฟุ๊บมาทีเดียวเนี่ยผ้ากีวรก็ไม่มีหนังก็ไม่มีเป็นล่างกระดูกไปเลยนั่นมันเป็นแบบนั้นนี่แหละจิตได้รู้ได้เห็นได้ดูหนังเน่าก็เพราะหลวงปู่บุญจันทร์ ได้เห็นล่างกระดูอเพราะหลวงปู่ขาวทากองเพลินะนะเกิดความเชื่อมั่นว่ามีพระอรหันต์เนี่ยก็ท่านอาจารย์มาบัวนั่นแหละนะพอไปถึงหลวงปู่อ่อนน้องบัวบานไปตําหนิท่านว่าท่านคุมกีวรมักง่ายมันะไปคิดตําหนิท่านพอท่านตะโกนใส่มันก็จิต ด, ดับไปเลยนั่นถูหลวงปู่อ่อนตะโกนใส่จิต ด, ดับไปเลยนั่นแหละ จิตดับมันก็ลู่จิตรวมมันก็ลู่ดูหนังเน่าของตัวเองอันนี้แหละศรัทธามันขึ้นดิวันนี้โอ้ครูบาอาจารย์ท่านเมตตาถึงขนาดนี้ถ้าไม่ปฏิบัติเอามันโง่กว่าหมามันโง่เลยหมาไปมันตําเองตัวเองวันนี้อันนี้แหละจิตที่มันจะสู้เวลามันจะสู้มีความอดทนแต่ก่อนมันสู้เวทนาไม่ได้พอปวดขาปวดสะโพกมันก็ ไม่ไหวแล้วเราหยุดหยุดก่อนมันก็หยุดมาเรื่อยๆแต่แต่ที่นี่ครูบาอาจารย์ท่านให้กาลังท่านให้กาลังใจมันก็สละตายใส่เลยนั่นหละที่ว่าหลวงพ่อพูดว่าให้สละตายเพื่อทำนั่นะการปฏิบัติการสละเป็นสละตายใส่พุ่มเข้าเลยเนี่ยอันนี้ทุกขเวทนามันโหมขึ้นมาเท่าไรมันก็ไม่ถอยนั่นะสู้กับเวทนา มันเกิดนะว่าเกิดขึ้นมาเท่าไหรก่ก็เอา้าตายเลยนเราไม่ต้องกลัวไหนก็จะตายอยู่แล้วให้มันตายไปเลยนะมันทุ่มใจทุ่มใจในที่สุดเ่ยจิตของเราเนี่ยมันปล่อยวางได้ถ้าจิตของเรามันยังยึดอยู่เนี่ยถ้ายังมีตัวตนยังมีตัวกูตัวเราอยู่เนี่ยไปไม่ได้เมื่อจิตของเรามันปล่อยวางได้นั่นะมันจึงนะว่าจะได้รู้ได้เห็นสัจธรรมเกิดขึ้นมา ได้สอนใจตัวเองได้เกิดศรัทธาเกิดขึ้นมานี่แหละได้สอนตัวเองได้เป็นตัวผู้ลูกเกิดขึ้นมาโอ้พระพุทธเจ้าท่านตัดสลูแบบนี้นี่ครูบาอาจารย์ผ้าอรหันต์ทั้งหลายท่านได้รู้ทำได้เห็นทำแบบนี้แบบนี้มันเกิดความอัศจรรย์นีถ้าท่านมันเกิดแบบนะอันนี้ทุกคนที่เราเกิดขึ้นมาเนี่ยเราทุกคนมีแติว่า ติดอยู่ในกามกินเกีลส ท, ทุกคนทุกคนเนี่ยว่าถ้าใครมียังมีกิเลสยังมีราคะตัณหามีความโลภโกรธหลงมีความที่ว่าโมโหโทโสเนี่ยภาวนาได้นี่ยแหละเป็นสิ่งไม่เหลือวิสัยแต่อยู่เลยตายนิดนึงหลวงพ่อว่าแบบนี้อันนี้เนี่ว่าให้กําหนดดูทุกดูทุกทุกมันเกิดขึ้นมาเนี่ยในขณะที่มันทุกข์ขึ้นมาเนี่ยมันปรากฏว่าจะเหมือนกับ เหมือนว่าหนังของเราเนี่ยมันจะเปื่อยเหมือนกับกระดูกมันจะหักะมันปรากฏขึ้นมาเวลาเรานั่งผ่าสู้กับเวทนาไปน่ะมันโลนมันทุกข์ในช่วงพศาา22เนี่ยวัดสันติกาวาบ้านไซวานยังไม่มีไฟฟ้าเนอ่สู้สู้ไม่มีพัดลมไม่นั่งนั่งภาวนาสู้กับพัดลมไม่มีพัดลม นั่งสู้ไปเลยนั่นแหละนั่งไม่มีพัดลมจะเป่าให้ก็ดูทุกนั่นแหละทุกในที่สุดนั่นแหละมันเลยทุกไปนะ่ะเลยตายไปนั่นแหละมันจังได้เกิดดีว่าได้เห็นสัจธรรมเกิดขึ้นมาเนี่ยแหละเวลาเราผ่าเราสู้กับทุกเนี่ยมันทุกทรมานที่สุดแอะกลัวมันจะผ่านเวทนาได้อันนี้ทุกคนดีว่ามีสิทธิ์จะรู้จะเห็นสัจธรรมได้เหมือนกัน แต่ต้องอดทนต้องอดทนคิดว่าตัวเองเนี่ยต้องให้กำลังใจตัวเองเด้ใครไม่คิดให้กำลังใจตัวเองเนี่ยมันมันไม่สู้ต้องคิดให้กำลังใจตัวเองหลวงพ่อคิดว่าเออแต่ศาสตร์ก่อนเราก็ได้ปฏิบัติมาแล้วเหมือนกันศาสตราสนาพระพุทธเจ้าองค์ก่อนก่อนมาโน่นเราก็เคยบวชเคย บำเพ็ญมาแล้วเคยเป็นโยมอุปถาคเคยเข้าวัดเข้าวา่าเคยบำเพ็ญมาหลายศาสตร์หลายภพมาแล้วแต่มันก็สู้อันนี้ไม่ไม่ไหวสู้กับความเก็บขุมปวดนี่ไม่ไหวอ่าเราก็ลอยกระแสโลกนี่มาศาตรแล้วศาสตรเล่ามันว่าแบบนี้อันนี้แหละที่ว่าให้กําลังใจตัวเองแบบนี้ถ้าอุปมาเหมือนกับเหมือนกับคนตักน้ําใส่ตุงอ่าตักน้ําใส่ถุ่มไทยโงงนั่นแหละอ่าอ่าถ้าว่า ของเราเนี่ยมันยังเพ่ อ, อยังเยอะอยู่มันก็ได้ขาบหลายต้องขนมามากต้องหลายหาบหลายหม้อจึงจะเต็มเต็มตุงนะอันนี้ก็เหมือนกันบุญของเราที่สะสมมาแล้วเนี่ยในอดีตชาติเนี่ยเราก็ทํามาแล้วแต่เราได้ว่ า, าต้องอดทนชาตินี้ต้องอดทนแม้แต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านก็อดตั้งหกปีนางเขาบอกตัวเองแบบนั้นอันนี้พวกญาติโยมก็ทว่าเทียบแบบนั้นหละเอาพระพุทธเจ้ามาเทียบใส่เราท่านออกมาจากกษัตริย์นางสาวสนมกรมปวังในว่ามีแต่ความสุขความสบายทั้งหมดนั่นแหล ะ, ะถ้าเทียบแล้วเนี่ยองพระศาสดาของเราเนี่ยถวออกท่านออกมาจากวังออกมาแล้วว่า ในสมัยท่านออกมาบําเพ็ญนั้นยังไม่มีใครศรัทธายังไม่มีคนรู้จักพระพุทธศาสนาส่วนมากเขาก็รู้จักศ า, าสนาอื่นลัทธิอื่นศาสนาพราหมลัลทธิอื่นๆนั่นแหละในอินเดียพระพุทธเจ้าออกมาบําเพ็ญนี่ยคนที่ถวายอาหารท่านใส่บาตรให้ท่านนั่นแหะนานๆทีท่านจะออกบินทบาทแต่เวลา ได้อาหารมาก็จะเป็นอาหารอย่างหยาบๆนั่นแหละอยู่ในวังท่านก็จะเสวยสิ่งดีๆสิ่งดีๆสิ่งละเอียดละ อ, อเป็นสิ่งที่ว่าปาณีศเป็นของปานีศของละเอียดเมื่อเวลามาขอตามบ้านไปบินท่าบาทไปรับของที่ว่าคนทานให้ท่านพวกเราก็นึกดูเองว่าพระพุทธเจ้าท่านยิ่งออกมาจากวงกษัตริย์ที่ละเอียด ก่อนใ่ไพวกเราเนี่ยมาจากประษาซนเนี่ยเรามาเทียบแบบนี้ท่านมาอดสาที่ว่ากลัวท่านจะได้ลู่ทำเห็นทำฟื้นความที่ว่าความอยู่ดีสบายในวังแล้วว่าพระองค์ออกมาปฏิบัติมาอยู่ตามร่มไม้ยังไม่มีกุฏิยังไม่มีใครสร้างศาลาสร้างกุฏิวิหารให้ก็ตามไปอยู่ล่มนั่นล่มนี่ไป ฝนตกก็เปียกนั่นแหละอยู่แบบนั้นอดๆอยากๆนั่นแหละท่านก็ฝ่าฝืนกลัวท่านจะตัดสรู้ได้ก็เป็นของลำบากอันนี้พวกเราเนี่ยพวกเราก็จะว่าเคยบำเพ็ญมาแล้วเหมือนกันให้เราคิดคิดให้กำลังใจตัวเองแบบนี้คิดว่าเราเคยบวชเป็นกับพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆมาแล้วหลายองค์มาผ่านมาแล้วหลายศาตรหลายภพมาเหมือนกัน ต้องให้กำลังใจตัวเองแบบนี้นี่แหละถ้าคนให้กำลังใจตัวเองเราก็ต้องอดทนนะอดทนพระพุทธเจ้าท่านท่านตัดสรูนะ้ก่อนที่วันท่านจะตัดสรู้เนะี่ยท่านถือว่าไปลอยถาดฮะไปลอยถาดถาดลอยทวนกระแสะนางสุสดาเอาเข้าวมัททุปายาสมาถวายท่าน ท่านสันข้าวแล้วท่านก็เอาถาดทองคำไปลอยเพราะถาดทอยล้วนทวนกระแสนั่นแหละท่านก็เชื่อมัน่นว่าวันนี้เราจะต้องได้ตัดสรู้เรานั่งตัดสรู้ในข้างนี้ถ้าเรายังไม่ได้ตัดสรู้เราจะนั่งในที่นี้ให้มันเนื้อเลือดเนื้อในตัวเนี่ยเหี่ยดแห้งไปเลยจะตายในที่นั่นเลยนั่นท่านท่านแบบนี้ ไอ้พวกเราก็มีตัวตนเหมือนกันก็มีความรักความสร้างเหมือนกันยังมีผัวรักเมียรักเหมือนกับพระพุทธเจ้าเหมือนกันพระพุทธเจ้าท่านออกจากวางมาออกจากนางพิมพ์พาลาหุนมามีลูกลักมีเมียรักมาเหมือนกันพอพระพุทธเจ้าท่านทําไมท่านถึงจึงทําได้เราก็มาเทียบแบบนี้แหละถ้าเราไม่เทียบเอาพระาศาสดามาเทียบกับเรา เราจะสู้เวทนาไม่ได้อันนี้เราก็ต้องเอาตัวผู้หลักเอาตัวโน้นมาเทียบถ้ามันอยากจะหยุดมันอยากจะเลิกโอ้ยพักก่อนเถอะเดี๋ยวยังเราจะไปนั่นอยู่เราจะไปนี่อยู่มันหาเวลาแบบนี้เราก็กําหนดกาหนดที่ว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสรูนะ้ท่านตั้งสัจจะอธิษฐานแม่เลือดเนื้อในตัวของท่านจะเหี่ยดแห้งลงไป ท่านก็ไม่หยุดท่านว่าถ้าไม่ตัดสรู้จะไม่ลุกขึ้ น, น จ, า จ, จากสถานที่นี้นั่นพวกเราก็มีตัวมีตนเหมือนกันนี่ละ่ะพระพุทธเจ้าท่านก็มีเวทนามีทุกข์เหมือนกันแต่ท่านอดทนนั่นะความอดทนนั่นล่ละเป็นตบะแพร์เผากิเลสตัณหาน่นะความอดทนให้พวกพวกเราทุกคนเนี่ย มีเวทนามีความทุกข์ความที่ว่ามันคิดมันอยากมีความสุขนั่นแหละถ้าเรานั่งไม่ไม่เปลี่ยนอริยบทมันจะทุกข์ทุกข์เกิดขึ้นมาเนี่ยอ่าก็ให้กำลังที่ว่าตัวทุกข์นี่แหละความทุกข์ในที่สุดเนี่ยเราก็หาวิธีที่ว่าเราจะแก้เราจะทำอย่างไรทุกข์นี่มันจึงจะดับไปเนี่ยเราก็หาวิธีแก้ถ้ามันไม่ทุกข์เนี่ย เราสติของเรามันก็ออกไปข้างนอกเวลามันทุกขึ้นมานี่มันจดจ่อเข้ามาที่กายของเร า, เามาดูที่ใจของเราเวลาเรากำหนดเนี่ยกำหนดดูหนังเน่าของตัวเองก็กำหนดด้ ว, ว่าตัวเองตายแล้วนอนเจาะแล้วอนอนมันไหลเข้าไหลออกตามดังตามไว่ามันเข้าปากเข้าดังเข้านี่ะไหลเวียนเข้าเวียนออกตามซี่โครงของเราเนี่ยแหละ นอนตัวเล็กตัวใหญ่มันไหลเวียนวุ่นอยู่ในตามร่างกายของเรากำหนดเข้ามาแบบนี้เนี่ยหลวงพ่อทำแบบนี้หลวงพ่อที่ว่าฝึกหัดตัวเองเนี่ยก็ยังไม่แก่เลยอ่าพอสอยี่บสอง อ, อายุแค่ยี่บสามปีนั่นแหละอายุยี่บสามปีอพอสอยบสองสู้สู้อด ส, ส, สู้ทนเลยทุกได้ผ่านทุกขเวทนาได้ ก็จะว่าอาศัยนี่แหละความที่มันเกิดมันเป็นขึ้นมาเนี่แล้วถ้าเราจิตของเรามันแก่ขึ้นมาเรื่อยๆสติของเรามันมีที่ว่าอินทรีย์มันแก่กล้าขึ้นมาเรื่อยๆอเรากำหนดที่ไหนมันก็จะว่ากำหนดแยกสิ้นส่วนเนี่ยกำหนดปาดขาออกไปปาดแขนออกไปตัดออกไปเป็นชิ้นเล็กสิ้นน้อยออกไปเลยกำหนดออกไปแบบนี้แยกธาตุันน่แหละท่านแยกธาตุัน กำหนดดูหนังเน่าดูเอาไฟเผาแล้วก็ดูหนังเน่าแบบที่ว่าเอาไฟเผาแล้วก็ดูแบบนอนอทิ่มแทงนอนเจาะกินเนื้อกินเลือดในที่สุดเนื้อทั้งหมดเนี่ยมันผุพังลงไปเป็นดินน่ร่างกายของเราทุกคนก็เหมือนกัน่ะทั้งหญิงทั้งชายนั่นแหละอ่าพวกเราเกิดขึ้นมานี่มีหนังหุ้มอ่าสาบทาไว้ด้วยผิวหนัง บางๆนะถ้ากระดูกถ้าโครงกระดูกไม่มีเนื้อเนี่ยมันไม่มีที่เกาะที่ติดถ้าไม่มีเอ็นมีเส้นมีเอ็นมายึดกระดูกแล้วก็ไม่มีเนื้อมาสาบมามีหนังหุ้มไว้เนี่ยมันก็ที่ว่าไม่เป็นรูปเป็นตัวเป็นตนได้เด้อันนี้ก็ที่ว่าอาศัยรูปมันที่ว่าจิตวิญญาณมาเกาะในรูปตัวนี้อาศัยตัวนี้ อันนี้พิจารณากายของตัวเองให้เป็นธาตุดินน้ำลมไฟอันนี้เราพิจารณาธาตุดินี่าธาตดินในตัวเราหลวงพ่อกำหนดร่างหนังเน่าเนี่ยกำหนดหนังเนา่าครั้งแรกๆนะกำหนดหนังเน่าก่อนอต่อมาก็ได้ดูร่างกระดูกได้ดูร่างกระดูกดูร่างกระดูกแล้วก็แยกแยกสิ้นส่วน หลายวันเข้าก็แยกสิ้นส่วนแยกสิ้นส่วนให้เป็นใ่าในที่สุดนอนเจาะกินเนื้อหนังทั้งหมดแล้วมันก็เปื่อยเน่าลงเป็นดินเวลาเอาเอาไปเผาไฟได้ไหมเหมือนกับศพของเราตายแล้วญาติพี่น้องท่านหลาทั้งหมดนี่เอาไปเผาไฟในที่สุดเผาลงไปเป็นขี้เถ้ากระดูกทั้งหมดนี่ก็เหลือนิดนิดหน่อยละในที่สุดขี้เถ้า ทานในที่สุดนะก็ลงเป็นดินอ่ะอันนี้แหละให้แยกแยะ แ, แบบนี้โยมทุกคนมีความยึดมั่นเหมือนกันพระก็มาจากคนหลวงพ่อก็มาจากคนมาจากพ่อจากแม่เหมือนกันอาศัยดินน้ำลมไฟมาเหมือนกันอันนี้พวกเราที่ว่าเป็นสิ่งที่ว่าเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ไม่เป็นว่าเป็นของไม่เหลือวิสัยแต่อยู่เลยตายนะหลวงพ่อว่าอยู่เลยตาย พอได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์ท่านเทศท่านสอนให้นั่นแหละเกิดศรัทธาแจกล้าขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็อา้าวนับแต่วันนี้ต่อไปให้มันตายไปเลยทำมันแบบนี้นะจิตมันสงบอยู่ทางจมกรมก่อนเนี้ยจิตสงบอยู่ทางจงกรมเดินจมกรมไปเดินจงกรมไปเ น, ไปนี่ยเดินไปกลับไปกลับมามันเห็นงูพอเห็นงูน่ะกำหนดดูงูเนี่ยเกิดธรรมะพุทธขึ้นมาเลยอ่าสัตว์ ขึ้นมาเกิดขึ้นมาในโลกนี้ไม่ว่าสัตว์บกสัตว์น้ำเกิดขึ้นมาเท่าไหร่ตายหมดตายทับถมพื้นแผ่นดินอยู่นี่พร้อมกับตัวเรานั่นจิตสงบรวมฟึบลงไปนะได้เห็นศพของตัวเองด้ไ่มเห็นศพถูกสีถูกเสือมันตบหน้าอะเก็ได้ว่าได้เห็นศพของตัวเอ ง, เอ ง, เองจิตของเราเมื่อจิตมันสงบไปแล้วเนี่ยมันเป็นตัวผู้รู้ออกไปอยู่ข้างนอกแล้วมันก็เห็นศพ มันก็ถามกันเนี่ยจิตของเราเนี่ยตัวจิตของเรามันถามพระธรรมถามตัวผู้ลูกอันนี้ศกใครตัวพระธรรมตอบขึ้นมาว่าศบของเราแต่สาดก่อนไปยิงเสือถูกเสือยิงเสือแล้วก็เสือมันยังไม่ตายก็ตามมันไปพอตามมันไปก็เสือมันก็ตกหน้าเอาทนบาดแผลไม่ไหวก็ตายอยู่ที่นี่นั่นมันเห็นแบบนั้น เห็นศพของตัวเองแต่ซาตกนมันก็ดีใจออแต่ก่อนศพของเราสซาตกรของเรายังไม่เห็นวันนี้เราได้รู้ได้เห็นแล้วนั่นมันเป็นเกิดศรัทธาขึ้นมามันพุดขึ้นมาได้ไหะเอาจากวินาทีนี้ต่อไปไม่ต้องสั่นนําเราจะอดข้าวนี่ยังสัรนนําอยู่นี่มันไม่ตายง่ายอันนี้แหละหลวงพอ่ออดทั้งข้าวทั้งน้ําอดน้ํำนี่ไม่ถึงวันนะมันตายนะเนี่ยหละ เวลาอดน้ำเนี่ยลมหายใจมันเทว่ามันแห้งเข้าแห้งเข้ามันแห้งเข้าละเอียดเข้าละเอียดเข้าในที่สุดลมหายใจขาดปั๊บไปเลยนะมันขาดไปนี่แหละจิตของเรามันก็จะวาถ้าเรายังยึดว่าตัว ต, วตนเรายังมีอุปทานเรามียังมีความยึดถือว่าตัวเราตัวกูอยู่เนี่ยมันไม่ปล่อยวางเลยนี่แหละถ้าจิตของเรามันปล่อยวางตัวนี่แหละมันจะเป็นตัวผู้รู้ ตัวผู้รู้นี่เกิดขึ้นมาแล้วนี่มันเกิดความอัศจรรย์เกิดความอัศจรรย์โอ้เราได้รู้ได้เห็นแบบนี้ได้ยังไงเกิดความอัศจรรย์เกิดปีติเกิดความอัศจรรย์เกิดขึ้นมาว่าตัวเองได้เห็นสัจธรรมเราได้เห็นได้รู้แบบนี้เพราะอะไรเพราะมีแม่มันเกิดขึ้นมาแบบนี้เพราะมีแม่มีพ่อมีแม่เป็นแดนเกิดเราอาศัยพ่อแม่ ถ้าพ่อแม่เข้ามาผสมกันจึงได้เกิดมาเป็นคนเนี่ยมันเกิดอาศัยแบบนี้มันก็พัลานาคุณแม่คุณพ่อในที่สุดก็พัลานาถึงคุณครูบาอาจารย์คุณหลวงปู่หลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่มหาบัวหลวงปู่ขาวหลวงปู่อ่อนถ้าไม่มีองค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าครูบาอาจารย์เหล่านี้จะมาจากที่ไหนสันพูดขึ้นมานี่ยแหละ หลวงพ่อก็เลยได้กาบพระอุเทนเจ้ากาบพระองค์พระาศาสดาสัมมาสัมพทุทธเจ้าอย่างถึงจิตถึงใจนั่นแหละกาบถึงจิตถึงใจจริงๆใว่าถ้าจิตของเรามันรวมลงไปถ้าจิตของเรามันปล่อยวางมันไม่ยึดไม่ห่วงไม่มีความอะไรตัดห่วงออกไปแล้วนะเป็นสภาพตัวผู้รู้ได้เห็นสิ่งมหัศจรรย์สิ่งมหัศจรรย์สาหรับหลวงพ่อนะ นี่แหละสละชีวิตเพื่อทาแด้ก็ได้การาบพระเจ้าองค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านยืนต่างงานอยู่ใกล้ๆหลวงพ่อนั่นแหละอยู่ห่างเม็ดเดียวเท่านั้นหลวงพ่อก็การาบถึงอกถึงใจนั่นแหะได้การาบพระเจ้าแต่พศ22วันที่หมิถุนาพศยี่สิบสอได้การาบพระเจ้าถึงอกถึงใจหลวงพ่ออันนี้ว่างได้เห็นสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นอันนี้แหละเราเกิดขึ้นมา เราไม่ได้เสียทีเราเกิดมาชาตินี้เราได้กราบองค์พระศาสดาแล้วถึงพระพุทธเจ้าศาสนาของพระเจ้านี่ผ่านไปแล้วตั้ง2อ0 0ั้กว่าปีมาแล้วเราเกิดมาภายหลังเราก็ยังได้กราบได้กราบองค์ท่านได้เห็นท่านเนี่ยเราก็เกิดปิม่มปื้มปีติแต่พระเจ้าองค์พระศาสดาสัมมาสมพุทธเจ้ า, า, า, า, ม า, จาไม่ได้เทศนะไม่ได้สอนหลวงพ่อนะ แต่หลวงพ่อกราบท่านถึงอกถึงใจมากราบแบบนี้แต่พอกราบเสร็จแล้วเน่ะพอกราบนั่นแหละไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าหายแวบไปพอหายแวบไปนั่นแ่ะจิตมันมองไปเนี่ยรอบด้านเห็นกระดูกเต็มขืนแผ่นดินนั่นแหะผืนแผ่นดินนี้เต็มไปด้วยล่างกระดูกเต็มผืนแผ่นดินเต็มเกลือนไปหมดแอล่างเล็กๆกระดูกเล็กก็มีกระดูกใหญ่ท่อนใหญ่ท่อนยาวก็มี เป็นกระดูกสัตว์นั่ลส่วนมากเพราะเราเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยเป็นสัตว์หลายล้านเที่ยวเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยหลายแสนเที่ยวนี่แหละถ้าจิตของเรารวมลงไปเนี่ยมันเห็นกระดูกเต็มเกลือ่อนเต็มผืนแผ่นดินเนี่ยมองด้านหลังก็เห็นเนี่ยไม่เหมือนตาของเราได้มองด้านหลังด้านข้างเห็นทั้งหมดมันเห็นพร้อมกันทั้งหมดเนี่ยจิตของเรามันปล่อยวางแล้วมันเห็นแบบนั้น อา้าวกระดูของใครเนี่ยเต็มเกื่อนเต็มแผ่นดินอยู่นี่กระดูของใครอันนี้กิจิตมันถามตัวผู้รู้ตอบอ่าตอผู้รู้ตอบว่าอ่าอันนี้เป็นกระดูของเราทั้งหมดที่เรามาเวียนว่ายตายเกิดเป็นสัตว์เด ร, รัจฉานนี่หลายล้านเที่ยวฟังสิหลายล้านเที่ยวที่เป็นสัตว์สัตว์บกสัตว์น้ำมาหลายล้านเที่ยวมันตอบขึ้นมาว่าที่มาเกิดเป็นคนเนี่ยหลายแสนเที่ยว ตัวสงสัยจิตเนี่ยมันพุดขึ้นมาอีกอา้ากระดูดท่อนยาวๆใหญ่ๆเนี่ยของใครอา้าวแปดหมื่นปีก็เคยเกิดกับเขามันว่าแบบนี้มันตอบขึ้นมาแบบนี้กระดูดท่อนยาวๆใหญ่เนี่ยประมาณสามเมตรกว่านะความยาวของกระดูกนะท่อนกระดูกเนี่ยเท่าขาเท่าขาโตเราเนี่แหละอท่อนใหญ่ท่อนใหญ่ทั้ทงใหญ่ทั้งยาวนั่นแ่ะมันใหญ่กว่าช้างเนี่ยแหะกระดูคนนั่นแหะเวลาเราเวียนไหวตาเกิดเวลาอายุ แปดหมื่นปีเนี่ยกระดูกของเราใหญ่กว่ากระดูกช้างนั่นแหลมันตัวใหญ่กว่าไดาโนเสาร์นั่นแหละกระดูกของเรานั่นแหละมันเป็นแบบนี้อันนี้หลวงพ่อได้เห็นได้รู้ได้เห็นมันก็เกิดโอ้เรามาเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยอมาที่ว่าท่องเที่ยวอยู่ในโลกอันนี้เนี่ยเป็นสัตว์บกสัตว์น้ํามาเนี่หลายล้านเที่ยวเนี่ยมันไม่มีความสุขเกิดขึ้นมาทุกข์เกิดขึ้นมาแก่มาเก็บมาต า, ายอยู่แบบนี้ มันภาลานาว่าความสุขอ่ามันมีแป๊บเดียวอ่าเกิดเวลาคนอ่าโลกมนุษย์เนี่ยเรายังมีจดกฎหมายคุ้มของยังมีพ่อมีแม่ยังมีญาติพี่น้องรักษาเราก็ด้ว่ายังมีความทุกข์กายทุกใจเป็นบางข้างบางข่าวนะอ่าทุกคนเราไม่สม่าเสมอไปอ่าบางทีทุกข์ก็จรเข้ามาอ่าสุขก็จรเข้ามาทุกข์ก็จรเข้ามาสลับกันมาแบบนี้ เราไม่ใช่ว่าไม่ได้สมหวังเราเกิดมาแต่ละชาติ์ระพบเนี่ยบางทีอายุกตหมื่นปีแปดหมืนปีเก้า0มืปีเราเวียนว่ายตายเกิดมาแบบนี้เวลาเราเกิดมาเป็นคนเราก็ยังทุกข์แบบนี้เวลาเป็นสัตว์เนี่เวลาเราเป็นสัตว์เนี่ยสัตว์ไม่มีกฎหมายคุ้มครองแต่ก่อนนะยังไม่มีกฎหมายคุ้มครองจะเกิดเป็นนกหนกูปูปีกจะเป็นสิงสาลาสัตว์ เราก็ไม่มีกฎหมายคุ้มครองอมนุษย์ก็ไปฆ่ากินสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเป็นสัตว์น้ําสัตว์บกเขาก็ไล่ล่าเกิดเป็นปาวานอยู่ในมหาสมุทรพวกฝรั่งเขาก็ตามล่าเอาเปลวมันมาทําเครื่องอะไรต่างๆมาทําเทียนไขอะไรนั่นแหละเอาเนื้อเอาหนังเขามากินนั่นแหละเราจะเกิดอยู่ในท้องมหาสมุทร ก็ถูกตามล่าก็ตายนั่นแะหละไม่มีกฎหมายคุ้มครองอันนี้เกิดเป็นสิงสารสัตว์อยู่ในดงในป่าก็ทุกนั่นแะหละเราเกิดมาเป็นคนนี่ที่ว่าสามารถที่จะลู่จะเห็นสัตว์จะทำได้เราเกิดมาเป็นคนนี่มีสิทธิ์มีอำนาจอนะย่างมีกฎหมายคุ้มครองยังมีกฎหมายแล้วก็กฎหมู่ด้วยน ะ, ะสังฆ菩萨ศาสตร์กลุ่มนั้นกลุ่มนี้เขาตั้งกันมาขึ้นมาทุกวันนี้ในหะละั ให้พวกเราที่ว่าคิดน้อมเข้ามาสอนตัวเองอก่อนจะตายเนี่ยอก็ฝึกให้ใจของเราได้เป็นตัวผู้รู้ถ้าจิตของเราได้รู้ได้เห็นสัจธรรมเราจะได้เกิดความเบื่อหน่ายความเบื่อหน่ายเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาที่ว่ามันจะเห็นเนี่ยอ่าเมื่อแล้วะมันเกิดขึ้นมาโอ้ที่เรามาเวียนว่ายตายเกิดนี่หลายล้านเที่ยวอที่มาเป็นสัตว์หลายล้านเที่ยวที่มาเป็นคนหลายแสนเที่ยว โอ้แต่เกิดปราซาดนี่แต่เกิดซาดนี่อายุแค่ยี่บสองยีบสามเนี่ยมันก็ทุกถึงขนาดนี้เราจะมาเวียนไหวตายเกิดไปทําไมเนี่ยมันเป็นมันทุกข์ขึ้นมาแบบมันสอนตัวเองแบบนี้อันนี้ทุกคนเกิดขึ้นมาเหมือนกันนั่นแหละที่เรามาเวียนไหวตายเกิดเนี่ยเป็นปู่ย่าตายายเป็นลูกเป็นหลานกันมานี่ปู่ย่าตายายเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเวียนไหวตายเกิดในโลกอันนี้เราทุกคนที่เกิดมาในเนี่ย ไม่เรียกว่าไม่ใช่ว่ามีแต่ประเทศไทยนะทั่วโลกคนทั่วโลกเนี่ยพระพุทธเจ้าที่ว่าคนในโลกนี้ท่านบอกพระอาหนุ์ว่าคนในโลกนี้หาได้ยากที่ใครไม่ได้เป็นญาติพี่น้องกันอันนี้หลวงพ่อเชื่อมั่นเลยหลวงพ่อเกิดความเชื่ออะไรบ้าตัวเองมาเวียนว่าตายเกิดมันเป็นวัตทุกข์เป็นวัตถวนมาแล้วมันหลายล้านเที่ยวนะเกิดเป็นจีนเป็นฝรั่งเป็นแขกเป็น อ่าเก๊กเป็นแกวมาเนี่ยเวียนไหวตาเกิดมาเนี่ยอันนี้หลายล้านหลายล้านเที่ยวนี่แหละเราทุกคนเกิดมาเนี่ยเคยเป็นญาติพี่น้องกันทั้งหมดนี่แหละเราทุกคนเกิดมาแบบนี้ถ้าใครอยากลูอยากเห็นสั จ, จธรรมก็สอนตัวเองว่าอา้าวพระพุทธเจ้าท่านตัดสรู้มานี่อ่าท่านมาตัดสรู้ในโลกนี่สามล้านกว่าองค์อ่สาวก ข, ของท่าน ได้รู้ทำเห็นทำไปตามท่านไปเนี่ยมากกว่าไม่เมล็ดหินมเมล็ดทรายในท้องมหาสมุทรเรานี่เป็นคนประเภทไหนให้ตําห น, น, น, นีตัวเองแบบนี้น่ตําหนีตัวเองแบบนั้นหล ะ, ะถ้าใครไม่ตําหนี่ตัวเองเราจะเนีว่าเป็นคนเี่ว่าใจเย็นๆ ย, ยังยินดีอยู่ในกามจินเกียรติเราติดอยู่ในนี้เราคิดว่าอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดี มีแต่สิ่งดีๆในโลกนี้เนี่ยเราติดความดีของโลกเราติดรักเมียใช่ป่ะเกิดขึ้นมาแล้วก็ลักติดอยู่ในผัวในเมียกันนี่แหละอ่าติดผู้หญิงก็รักผู้ชายผู้ชายก็ลักผู้หญิงยึดติดกันอยู่นี่แหละก็ร้องให้อ่าเรามีรักร้อยเราก็ทุกข์ร้องเหมือนกันสมมติว่าลูกตายอ่าเรามีความรักอ่าลักเมียลักลูก เวลาเมียตายจากผัวตายจากก็ร้องให้เวลาลูกตายจากก็ร้องให้อันนี้แหละใครมีทุกข์ใครมีรักมากเราก็ทุกข์มากอันนี้แหละพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้เรามีความพอจิตของเราเนี่ยถ้ามันเกิดเป็นตัวผู้รู้ขึ้นมาเนี่ยจิตของเราจะเป็นกลางนะไม่ได้ที่มนไม่ได้เสียใจอหมไม่ได้ดีใจไม่ได้เสียใจจิตใจของเราเป็นกลางๆนั่นแหละมันอยู่แบบประเภทนั้น จิตของเราเป็นกลางได้ไม่ได้เสีย อ, อกเสียใจไม่ได้ที่ว่าไม่ได้ไปบังเบียดคนไม่ได้ไปทีว่าจะไปที่ว่าจะไปประทุษร้ายไปไปทำร้ายคนอื่นจะไปดูหมิ่นคนอื่นประเภทนั้นจิตของเราเป็นกลางๆไม่ได้ไม่ได้เกียรติไม่ได้สร้างนั่นแหละมันอยู่แบบนั้นอันนี้ทุกคนมีใจเหมือนกันเราเวียนว่ายตายเกิดเป็นวัตถุกเป็นวัตถวณมาแล้ววิญญาณแต่ละดวงอ่า ไม่ใช่ว่าโยมผู้หญิงไม่เคยเป็นผู้ชายผู้ชายไม่เคยเป็นผู้หญิงเป็นมาแล้วทั้งผู้หญิงผู้ชายจิตดวงเดียวนี่บางทีก็เกิดเป็นผู้หญิงบางทีก็เกิดเป็นผู้ชายสลับสับเปลี่ยนกันมาเนี่ยอันนี้หลวงพ่อเห็นภพชาติของตัวเองที่มาลอยกระแสโลกเกิดตายเกิดตายมาเนี่อันนี้แหละก็เลยว่าเป็นผู้ที่ว่าเห็นสัจธรรมก็เห็นนี่แหละเห็นทุกข์เนี่แหละ เขนทุกในการเกิดแก่เก็ บ, กบตายในโลกนี้โลกนี่ถ้าเรามีความรักเราก็มีความทุกข์อันนี้ทุทกคนนี่ว่าคนส่วนมากกา็คิดเอาดีท่าเดียวน ะ, ะคิดอยากจะเอาแต่ความรักและเอาแต่ความรวยเอาแต่ความสวยความงามความขี้เหล่ไม่เอาอเวลาตายก็ไม่ชอบอเวลาทุกข์ก็ไม่ชอบเก็บไข้ได้ป่วยไม่ชอบคนไม่ชอบแบบนั้น คนคิดแต่เอาดีๆนั่นแหละส่วนมากก็คิดว่าอคนทั้งหมดนี่เกิดมาในโลกนี่ให้เราเป็นคนดีที่สุดในโลกสวยที่สุดในโลกรวยที่สุดในโลกคนจะสอบแบบนี้อันนี้ที่ไหนได้บุญกุศลเราไม่เคยสร้างไม่เคยทําไว้มันเป็นแบบนั้นไม่ได้อันนี้อะทุกคนที่เวียนว่ายตายเกิดมาเนี่เป็นลูกเป็นหลานเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องกันเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่กันเวียนว่ายตายเกิดมาเนี่ย หลายพบหลายาศาสตร์หลายล้านเที่ยวมาแล้วอันนี้ญาติโยมทุกคนถ้าคิดแบบนี้แล้วให้คิดน้อมมาหาตัวเองอ้าวเรามาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในกระแสโลภนี่อ่าดีแล้วาศาสตร์นี่เกิดขึ้นมาอ่าในเมืองประเทศไทยของเรายังมีหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นมาสอนครูบาอาจารย์หลวงปู่ขาวหลวงปู่ชอบหลวงปู่หลุยหลวงปูท่านอาจารย์มหาบัว ยังมาเทศสั่งสอนพวกเราได้ยินได้ฟังแล้วก็ปฏิบัติเอาให้บอกตัวเองแบบนี้อันนี้ว่าสัจธรรมหลวงพ่อจะว่าเป็นสิ่งไม่เหลือววิสัยแต่อยู่เลยตายนี่แหละให้ทุกคนปร ะ, ประพฤติปฏิบัติเอาอย่าคิดว่าเป็นของง่ายแต่มันก็ไม่เป็นของยากถ้าเราคิดว่าเราเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกอันนี้เนี่ยเวลาเราเป็นเกิดเป็นสัตว์น้าเนี่ย เป็นปลาในท้องทะเลหรือในน้ําตามห้วยน้องคลองบึงเนี่ยเราก็เวียนว่ายตายเกิด น, นั่นแหละอ่ามันก็ยินดีอยู่ในภพนั่นแหละอ่าคิดว่าปลานะั่นอ่ะมีความสุขที่สุดมันก็คิดแบบนี้ฮะที่เขาเกิดเป็นอ่าลูกเขียดลูกกบนะเขาก็คิดว่าเขาเก่งที่สุดเขาดีที่สุดเหมือนกันอันนี้อันนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละอ่าความรู้ของเราอ่าความรู้ความเห็นของเราส่วนมากมันก็จะว่าเข้าข้างตัวเอง จิตใจที่เราเกิดมานี่บางคนก็คิดว่าตัวเองเกิดขึ้นมาชาติเดียวเพิ่งจะเกิดขึ้นมาชาตินี้เกิดมาแล้วตายไปแล้วก็สร้างมันคนบางคนคิดแบบนี้ตายแล้วแล้วไปไม่ได้เกิดอีกคนบางคนก็ว่าเกิดมาแล้วตายตายมาแล้วตายแล้วมาเกิดเป็นคนอีกที่ไหนได้มันไม่เป็นแบบนั้นถ้าเราทํากรรมถ้าเราทํากรรมชั่วอ่าเราก็จะว่าหวังจะว่า ทุกขติเป็นอันหวังได้ถ้าเราทำกุศลผลบุญใส่ตัวเองสุ ข, ขติเป็นอันหวังได้มันมาแบบนี้อันนี้แหละที่ว่าสัจธรรมคำสั่งสอนของพระสาสดายังสดสดล้นลนอยู่ถ้าพวกเราจับกระเปบาปพฤติปฏิบัติเอาเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่เหลือวิสัยนะพอทำได้นะ อ, อันนี้เกิดมามีจิตใจเหมือนกันทุกคนน่แหละเร า, าเวลาเราไม่สมหวังมันเป็นทุกข อ่ามันทุกข์ขึ้นที่ใจเวลาเวลาเราภาวนาเนี่ยสลัดเลยอ่าสลัดทุกข์ออกอ่าสลัดสุกออกสลัดทุกข์ออกไม่เอาสักอย่างนั่นแหละเป็นแบบนั้นอ่าถ้าใครเป็นคนสลัดทิ้งได้เนี่ยไม่เอาสักอย่างจิตใจของเราจะเป็นกลางได้อันนี้แหละทุกคนเกิดขึ้นมาเราไม่สงหวังเราเกิดมาแก่มาเก็บมาตายไอ้โรคภัยไข้เจ็บนี่ยมันมาเรื่อยๆนะ เราถ้าเรามาเกิดเนี่ยโลกมะเร็งโลกตับโลกปอดโลกมะเร็งนั่นมะเร็งนี่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยโรคเบาหวานโรคความดันทุกคนเกิดมาเนี่ยไม่ต้องการไม่ต้องการอยากเป็นโรคเป็นขี้ไล่ขี้เลเนี่ไม่อยากได้แต่เราเนี่ยมันทํามาแล้วเราทําอันใดไว้เราต้องได้รับผลกรรมนั้นอันนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนพวกเราแบบนั้นอันนี้นะจ้ะญาติโยมทุกคนเกิดมาแล้ว เนี่ยก้ให้เทวาน้อมให้แบบหลวงพ่อบอกนี่แหละเราเกิดขึ้นมาในชาตินี้ยังมีคำสั่งสอนขององค์หลวงตานะทุกวันนี้ก็องหลวงตานั่นแหละที่ท่านเทศสอนโลกนี่ทั่วโลกนั่นแหละถ้าใครสนใจประพฤติปฏิบัติเอาเราเ็ถว่าเป็นผู้หนึ่งเป็นคนคนหนึ่งจะได้รู้ได้เห็นสัจธรรมในชาตินี้พบนี้อย่าเอาอนาคตการนะอย่าไปเอาแบบนั้น เออขอถึงมรรคผลในพานในชาติหน้าต่อไปโน่นเพินอนาคตการโน่นเทิอนอย่าเอาแบบนั้นเราทำบุญเราทำความดีเรานั่งภาวนาก็หวังเอาชาตปัจจุบันนี่แหละให้เราโน้นมเข้ามาแบบนี้อันนี้ใจของเรานี่มันเป็นนักเล่ล่อนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกอันนี้เนี่ยอ่าเป็นมาแสดงละครโลกนะมันแสดงละครโลกบางทีเกิดเป็นพระราชามหากษัตริย์เป็น หัวหน้าเผ่าเป็นเจ้าเป็นนายเป็นคนล่าคนรวยเป็นมหาเศรษฐีมาแล้วนะเป็นคนมีอำนาจวาสนาเป็นนายพลนายพันเป็นมาแล้วแต่ก็ตายนั่นแหะจะเกิดมาเป็นคนยากจนเขินใจก็ตายเกิดเป็นสเดลสารก็ตายนั่นแหละถึงจะจุติไปเกิดในเทวโลกก็ยังมีการจุติการหมดอายุของเทวโลกเหมือนกันนั่นแหละอายุของ พวกเรานั้นถึงจะหลายล้านปีก็มีจุดตีได้อันนี้เราไม่ต้องสงสัยเราเป็นคนหนึ่งที่เล่ร่อนเที่ยวเวียนว้ายตายเกิดอยู่ในโลกอันนี้สแสดงเป็นพระเอกนางเอกเป็นโจรเป็นมารสารพัด ท, ที่เราเวียนว่าตายเกิดบางทีเราเกิดขึ้นมาเนี่ยก็เป็นคนโหดร้ายไปบังคับคนอื่นไปลังแจคนอื่นไปป้นไปกี้ไปบังคับคนอื่นแล้วก็ตกนรกโหมกไหม้ไปกลัวจะมาเกิดเป็นคนเนี่ย หลายล้านเที่ยวเนี่ยเป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยกลัวที่ว่าจะเป็นสัตว์ที่มีความรู้อ่าเป็นสัตว์ใหญ่ขึ้นมาจึงจะได้มาเกิดเป็นคนกลับมาอีกนะอ่าผลกรรมเศษกรรมอ่าเราจะต้องได้รับผลกรรมนี่นะทุกคนเกิดขึ้นมานี่แหละเราไม่ได้รู้ว่าเราเกิดมากี่ภพกี่ชาติมาแล้วทุกคนหลวงพ่อบอกเลยว่าคนละหลายล้านเที่ยว ที่มาเกิดอยู่ในโลกอันนี้นมาเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยบางบางทีเราก็มีความสุขบางทีก็มีความทุกข์มันสลับกันเข้ามาเกิดมาชาติเดียวนี่ไม่รู้ว่ามันทุกข์จอนเข้ามาทุกข์จนเข้ามาสุขจ้อนเข้าม า, า, มาวันเดียวนั่นแหละทั้งทุกข์ทั้งสุขนั่นแหละถ้าคนภาวนารู้จักอารมณ์ของตัวเองคิดนึกเราก็สังเกตตัวเองได้แต่คนไม่ภาวนาเนี่ คิดว่าตัวเองเนี่ยปล่อยให้ความคิดของเราลอยนวลไปคิดไปเรื่องอะไรก็ไม่สังเกตไม่ได้สังเกตได้สังได้สังเกตไม่มีพุทโธนั่นแหละคนก็ปล่อยตามอารมณ์ของตัวเองคิดว่าตัวเองคิดถูกไปอันนี้มันลอยกระแสะโลกนะความคิดประเภทนั้นมันลอยกระแสะโลกแอบสาหรับพระพุทธเจ้าท่านสอนสาวกของท่านท่านให้ดูที่กายที่ใจแอบตั้งสติพิจารณากาย กายเนี่แหละแปลว่าใจใจของเรามันยึดติดอยู่ในกายนี้เราทําอย่างไรใจของเราจะเกิดความเบื่อหน่ายได้ก็มาพิจารณาให้เป็นศกเป็นอสุภะนั่นแหละเป็นอสุภะถ้าเราไม่เราไม่เห็นตัวนี้จิตของเราไม่เห็นอสุภะเกิดขึ้นเราไม่เห็นล่างกระดูกของตัวเองสัจธรรมของเราก็มันมันไม่เกิดล่ะอันนี้แปลว่าวท่านสู้กับเวทนาสู้กับทุกข์ทั้งปวงนั่นแหละ จึงได้รู้ได้เห็นสัจธรรมเกิดขึ้นมานั่นแหละสัจธรรมเกิดขึ้นมาแล้วมันก็จะมีความเบื่อหน่ายถ้าอุปามานะว่าเหมือนกับว่าคนที่เห็นสัจธรรมก็เหมือนกับว่าเหมือนอุปามาเหมือนกับเด็กเด็กมาเล่นน้ำคืนดีวันดีคืนดีนะ่ะเด็กมันเห็นจระเข้มันขึ้นมาจากลาห้วยนะ่ะมันลอยขึ้นมานะ่ะเด็กมันจะวิ่งขึ้นน้าเองอันนี้เหมือนกัน ข้าใจของเราเห็นสัจธรรมแล้วใจของเราจะเรียกว่ามันจะขึ้นจากน้ําน้ําอะไรน้ํากรามจินเกียร์น้ํากรามจินเกียรเนี่ยแหละเรามันติดอยู่ที่นี่เราเรียกว่าของเราดีที่สุดแล้วเราเกิดมาเราปรารถนาเอาตัวนี้ที่ไหนได้เราตายเราเวียนว่ายตายเกิดมานี่เราติดยึดในเียว่าร่างกายอันนี้มาเกิดมาตายอยู่นี่เวียนว่ายตายเกิด เอาล่างเอาล่างแต่ก่อนเราเกิดมาเนี่ยอายุยืนกว่านี้อ่เวลาบางทีก็อายุน้อยกว่านี้เนี่ยะตายแล้วตายอีกตายแล้วตายอีกเนี่ยหลายล้านเที่ยวมาแล้วแต่ละคนละคนเป็นแบบนี้ถ้าใครคิดว่าไหนๆเราก็จะตายแล้วไหนๆก็เราเกิดมาแล้วเนี่ยแต่ก่อนเราเป็นเด็กเดี๋ยวนี้เราเป็นแก่เราเป็นคนใหญ่คนโตมาแล้วเราเป็นคนหนุ่มคนสาวคนแก่มาแล้ว ในในัก็จะตายก็ฝึกตายก่อนตายจริงให้ฝึกแบบนั้นอันนี้แหละที่ว่าให้ตั้งสติของตัวเองพิจารณากายดูทุกให้เห็นทุกนั่นแหละถ้าใครเห็นทุกในปัจจุบันอันนี้จะได้เห็นสัจธรรมถ้าเราได้เห็นได้รู้ตัวนี้แล้วใจของเราจะมีความเบื่อหน่ายจึงจะได้มีความเบื่อหน่ายได้อันนี้ที่ไหนได้เรา จิตของเราเนี่ยมันก็จะยึดชาตินี้ก็ว่าโอ้เราเนี่ยตายไปแล้วก็ยังคิดถึงญาติพี่น้องลูกหลานตั้งหลงายคนเนี่ยะพอยึดยึดถือเนี่ยก็มาเกิดมาตายอีกมาเกิดแบบนี้อันนี้เราเกิดขึ้นมาเนี่ยในชาตินี้ครบนี่เราเป็นผู้บริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วครบทั้งหมดไม่ได้เสียจริตผิดอะไระมีหูเมตาครบบริบูรณ์สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติได้ ให้เราทุกคนทุกท่านพึงที่ว่าปฏิบัติเอาอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของหลวงพอ่อหลวงตาการภาวนาการพิจารณากายของตนน้อมดูพิจารณาน้อมดูกายสติของเราถ้าไม่มีสติถ้าขาดสติมันไม่เป็นนะอาศัยความเจ็บปวดถ้าเจ็บร่างกายของเรามันเจ็บมันปวดขาขึ้นมาแล้วสติของเรามันจะจดจอ่อ เราไม่กรบเครื่อมเราไม่ไปจับนั่นจับนี่เราไม่ไปไปจับตรงน้นตรงนี่เราไม่ได้ไปลูบขารูบแขนเนี่ยสู้กับทุกขเกิดขึ้นมาน่นสู้กับทุกทุกนั่นแหละมันเป็นธรรมในที่สุดว่าอุปทานความยึดว่าตัวกูของกูในที่สุดมันจะปล่อยถ้ากิจของเรามันปล่อยเมื่อไหร่นั่แหะเราจะได้เป็นตัวผู้รู้ เมื่อจิตของเรามันเป็นตัวผู้ลูกขึ้นมาเน่ยเสียงเฉพาะเสียงผู้ลูกเฉพาะผู้ลูกมันเกิดเป็นปัจจุบันนจิตปัจจุบันนธรรมขึ้นมานะตัวนี้นะมันจะได้เห็นสิ่งมาตสจัลแต่ก่อนเราไม่ได้เห็นไม่ได้รู้เราก็นึกว่าเออมันจะมีหรือไม่มีนั่นเป็นตัวสงสัยแต่พอมันได้รู้ได้เห็นแล้วมันก็เกิดศรัทธาเชื่อมัน่นโอ้มีล้านเปอรเซ็นอ่าเราเกิดแก่เจ็บตายมาเวียนไหวตาเกิด มันเป็นวัตทุกข์เป็นวัตถวนมาแล้วอันนี้แหละทุกคนเกิดขึ้นมาในโลกนี้อย่าคิดว่าตัวเองอไม่มีวาสนาต้องคิดว่าตัวเองมีวาสนาแล้วอแต่คิดแบบนี้มันจกีงจะภาวนาได้นะปลุกให้จิตใจของเรามันสูงขึ้นไปถ้าเราวิไม่อยากหนีเนี่ยยังมาคิดห่วงที่ว่ามาติดอยู่ในกามจินเกียร น, นี่เราก็จะมาแก่ แเราก็จมาเกิดมาอีกเวลาเกิดมาแล้วก็อยากต้องการนั่นต้องการนี่ เ, เวลาความโลภโกรธหลงเกิดขึ้นมาที่ใจของเราเ อ, าอาวิชชาคุ้มห่อขึ้นมามาหลงยึดหลงติดแล้วก็ทำํำฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทํากรรมทําอะไรใส่ตัวเองแล้วก็ไปลอยกระแสโลกที่ว่าไปตกนรกโหมกไหมไปอีกอันนี้แหละที่เรามาเกิดเป็นคนแล้วเนี่ยส่วนที่เราเคยทํากรรมไม่ดีที่ผ่านมาแล้วเนี่ย เราก็จะเวลาเราภาวนาเนี่ยหลวงพ่อคิดเอาปัจจุบันนะนะปัจจุบันนี้ขณะนี้เราไม่ได้ไปทำกรรมไม่ได้ทำบาปไม่ได้ทำปนานาที่บาปไม่ได้ไปผิดใครไม่ได้ไปด่าใครไม่ได้ผิดศีลผิดธรรมในปัจจุบันนี้เนี่ยเอาเป็นเอาปัจจุบั น, นให้สอนตัวเองแบบนี้ถ้าใครปฏิบัติแบบนี้หลวงพ่อว่าเป็นสิ่งไม่เหลือวิสัยพอทาได้อันนี้แหละให้ญาติโยมทุกคน เล่งเอาตัวใครตัวมันอย่าคิดว่าไปปฏิบัติกับหลวงพ่อตะเวนหลวงพ่อไปวัดนั่นวัดนี่เราก็เคยไปแต่มันผ่านไปเรื่อยๆนะส่วนมาก ม, ม, มันไม่ได้วกเข้ามาหาใจตัวเองนะไปเห็นวัดวัดเนี่ยอะไรเป็นวัดศาลาเป็นวัดบอกศาลาเป็นวัดหรือวิหารโบสถ์ศาลาอะไรพระเนรบอกเป็นวัด มันไม่ใช่วัดเนีวัดที่แค่เนี่ยอยู่ที่ใจของเราเนี่ยอยู่ใต้คางเราเนี่แหละวัดเข้ามาที่ใจของเรามาที่กายของเราเนี่ยวัดตัวนี้ท่านจะว่าอ่ามันหนาคือบอ่ายาวาหนาคืบเนี่ยละกว่วงศอกยาวาหนาคืบวัดตัวนี้วัดใจของเราเนี่ยถ้าใครวัดใจเนี่ยละ่ะเราจะได้เห็นสัจ ธ, ธรรมที่วัดโน้นวัดนี้ ตาเวนไปห า, หาหลวงพอ่อหลวงหน้าหลวงพี่หลวงพ่อองค์นั้นองค์นะี่หลวงตาหลวงปู่ทั้งหมดนั่นอันนั้นเป็นวัดคําสั่งสอนที่พระพุทธเจ้าหรือว่าครูบาอาจารย์ท่านบอกเราเนี่อันนั้นมันเป็นปริยัตนะแต่ถ้าเราน้อมมาดูกายของเราเนี่ยเราจะเป็นปฏิบัติอันนี้เราจะเป็นปฏิปบาตหรือเป็นปรมัตาเข้ามาตัวเรามาสอนตัวเรา ถ้าเราจ้องมาดูตัวเรามาพิจารณาตัวเราอันนี้แหละจะเป็นปเป็นปรมัตดท่านบอกว่าไฟไหม้เมืองไหนเอาน้ําในเมืองนั้นดับอเอาน้ําดับไฟเนี่ยมันอยู่กับ ท, ที่ที่นี่เหมือนกันใจของเราเนี่ยมันเต็มไปด้วยอะไรความโลภโกรธหลงราค้าตันหาเนี่ยมีอาสวะกิเลสเต็มหัวใจอยู่นี่เราก็มาแก้ที่ใจของเราเนี่ยนะถ้าเรามาแก้ที่นี่ มาดับที่นี่นี่แหละใจของเราจะได้รู้เห็นสัจธรรมจึงจะได้เบื่อหน่ายาจึงเจาะที่ว่าชาติชาติความเกิดของเรามันจะสั้นเข้ามานี่แหละเราที่ว่าเป็นเป็นสิ่งไม่เหลือวิสัยหลวงพ่อว่าเป็นสิ่งไม่เหลือวิสัยนี่แหละถ้าใครประพฤติปฏิบัติเอานี่แหละเนี่ยเป็นที่ว่าเป็นลูกศิทธาคตได้เหมือนกันอันนีใ้ให้เราเทียบเข้ามาสอนตัวเองแบบนี้ อย่าคิดว่าตัวเองไม่มีวาสนาบรารมีทุกคนเกิดมาเนี่ยมันไม่รู้หรอกว่าใครทำมามากมาน้อยอันนี้ให้ญาติโยมทุกคนปรับพฤติปฏิบัติเอาอกำหนดเอาพุทโธหรือว่ากำหนดลมหายใจเนี่ยให้มันต่อเนื่องถ้าพุทโธต่อเนื่องเป็นสายโซ่เมื่อไรใจของเราจะได้รู้ได้เห็นสัจธรรมในข้างหน้านั่นแหล ะ, ะแต่ไม่แต่ส่วนมากมันมันไม่ต่อเนื่องเล คนส่วนมากนึกพุทโธไม่ต่อเนื่องอ่ามันเอาความสงบนั่นแหละอ่ามันไปติดความสงบก่อนไปติดสมาธิก่อนนื้อพุทโธพุทโธไปแป๊บเดียวกิตเข้าผวาบังอ่ากิตมันมันมันมันเข้าผวาบังมันพอจิดเข้าผวาบังแล้วมันไม่ดิจารณากายอ่ามันไปติดเข้าผวาบังเกิดความสงบขึ้นมามีแสงสว่างมีเกิดปีติขึ้นมาอันนี้เราติดสงบติดสงบแบบนี้เดินเดินไม่ได้นะ ต้องต้องเราต้องออกจากตัวนี้พยายามออกจากความสงบตัวนี้มาพิจรารณาห น, างนังเน่ามาพิจรารณากระดูกของตัวเองตับไตไส้ปอดในอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยเราเทียบเลยว่าหนังที่หุ่มอยู่ในในร่างกายของเราเนี่หนังเนี่เหมือนกับถุงยางเหมือนกับถุงยางในถุงยางของเราเนี่เราไปบรรจุถุงยางนี่ตับไตไส้ปอดอาหารใหม่อาหารเก่าทั้งหมดนี่ ถ้าเราทิ้งไว้หลายวันหลายชั่วโมงมันก็จะเปื่อยจะเน่าออกมาอันนี้เขาเทียบแบบนั่นเลยว่ากายนี่เหมือนกับถุงยางหนังเนี่ยเหมือนกับถุงยางกายของเราทั้งหมดนี่แหละ ท, ท่านดูแบบนี้ดูอสุภาพแบบนี้อย่าให้กิจสงบมันถ้ากิจสงบไม่ง่ายนั่นกิจสงบมันเข้าผ้าบางอันนั้นใช่ไม่ได้หลวงพ่อก็เคยติดสงบมาเหมือนกันนะติดสงบหาพรรษาแรกพรรษาสองนี่ติดความสงบมาแบบนั้น แต่พอถูกหลวงปู่บุญจันทร์นั่นแหละ zar, ท่านหลวงปู่บุญจันทร์ท่านลู่ใจของเราคิดแน่นะหลวงปู่บุญจันทร์ท่านลูล่หลวงพ่อคิดอหลวงพ่อเนี่คิดไปเอาเอาเอาเด็กที่มันใส่บาตรเดินไปบินท บ, บาตอําเภอเชวานนั่นแหละ zar, ไปเดินบินท บ, บาทนั่นเดินบินท บ, บาทไปไปรับรับบินท บ, บาทเอาข้าวกับเขาแล้วก็ ถ้เาเขาเป็นลูกเป็นเมียด้วยมันคิดแบบนี้น ะ, อะพอสอยีบสองก่อนที่จะได้ลูกเนี่ยสัตยธรรมเนี่ยก็คิดเอาแบบนั้นแหะคิดได้ลูกได้เมียมีที่ทํากินเม่ไล่เม่สวนเม่หนองปลามีอะไรมีบ้านอย่างดีที่สุดนั่นแหละมันคิดแบบนั้นแต่พอกลับไปถึงวัดสันติกาวาลหลวงปู่บุญจันทร์มองมาแล้วก็ท่านว่าให้แปลบิณนบาบเอาลูกเอาเมียด้วยเหลือเนี่ย พอได้ยินแค่นั้น่าหลวงพ่อกําหนดเข้ามาที่ใจเนี่ยมันดูหนังเน่าได้เนี่ยหลวงพ่อดูหนังเน่าได้ก็เพราะหลวงปู่บุญจันทร์นี่ยแหะเกิดศรัทธาเสื่อมัน่นว่ามีพระอาหารหันต์เพราะท่านอาจารย์มหาบัวนะได้เห็นกระดูกของตัวเองก็ที่ว่าไปสงสัยหลวงปู่ขาวหลวงปู่ขาวเป็นพระอาหารหันต์เหมือนกับท่านอาจารย์มหาบัวหรือยัง่งคิดแบบเนี้ยหลวงปู่ขาวมองมาทีเดียวเนี่ย หลวงพ่อจีวรไม่มีหนังไม่มีมีแต่ล่างกระดูกนั่นมันดูกระดูกได้แบบนั้นเมื่อกีตของเราถอนขึ้นมาเนี่ยโอ้หลวงปู่ขาวท่านเมตตาคนเมืองอุดอรเนี่ยถึงสิบคนไหมเนี่ยเออไม่ถึงมาไม่ถึงสิบคนมาว่า น, นั่นมันตอบเองเลยนะนั่นแ ะ, ะได้ยินได้ฟังได้เห็นเกิดความลึกซึ้งเกิดความทราบซึ้งเกิดสิ่งมหัศจรรย์สอนตัวเองนั่นะ หลวงพ่อจึงสละชีวิตเพื่อทําได้อันนี้ญาติโยมทุกคนเราเกิดมานี่อะไม่รู้ว่ากี่ล้านเที่ยวมาแต่ละคนละคนนะจิตวิญญาณดวงเดียวเนี่แหละอเดี๋ยวเป็นสัตว์เดียวเป็นคนเดี๋ยวเป็นสัตว์เดียวเป็นคนอเป็นสัตว์มาหลายล้านเที่ยวมาแล้วแต่ละคนละคนเวียนว่ายตายเกิดมานี่ยมันเป็นวัตทุกข์เป็นวัฏวรมาแล้วมันหลายล้านล้านเที่ยวมาแล้วน่ะมันหลายล้านปีมาแล้วอันนี้แหะ ให้เราสอนตัวเองว่าคิดเทียบว่าพระพุทธเจ้าท่านมาตัดสรู้เนี่ยหลายองค์มาแล้วอ่ที่พระศาสดามาตัดสรู้เนี่ยกูกูสันโธ ท, ที่ผ่านมาแล้วเนี่ยสามล้านกว่าองพระพุทธเจ้าเราเป็นคนประเภทไหนให้เราตำหนิตัวเองแบบนี้ถ้าคนตำตหนิตัวเองคิดเทียบพระพุทธเจ้ามาใส่ตัวเราคิดว่าเวลาเราตกนรก เราตกอเวกีนรกนะไฟไหม้น้ำร้อนมันลวกเรามันไหม้เราอยู่ในอเวกีนรกนะเปื่อแล้วก็กลับเป็นตัวขึ้นมาแล้วก็เบื่ อ, อกลับเป็นตัวขึ้นมาแล้วก็เปื่อไฟนรกมันเผาอยู่แบบนั้นหลายล้านปีน ะ, นะนะแต่ละทีละทีนะเวลาไปตกอเวกีนรกนะให้เราเทียบแบบนี้แหะมาใส่ตัวเองนี่แหะถ้าใครคิดแบบนั้นได้แล้วก็เออเราเกิดมาชาตินี้พบนี่ เราจะปฏิบัติให้มันได้รู้ได้เห็นในอสัจธรรมในชาตินี้พบนี่ปัจจุบันนี้ด้วยนะเอาแบบนั้นอย่าคิดว่าตัวเองไม่มีวาสนาบารมีถ้าใครไปคิดแบบนั้นก็จะว่าเหมือนกับเราเนี่ยไม่เดินไปถึงไหนอ่ก็คิดว่าเออไม่ถึงหรอกเราเนี่ยเดินไม่ถึงหรอกวาสนาของเราไม่มีเรายังติดอ่าอยู่ในนี่หละเราติดอยู่ในกามกินเกียรติเนี่ยเราอย่าไปคิดแบบนี้ถ้าใครคิด ถ้าว่าเออวาสนาไม่มีเนี่ยอ่ะก็จะว่าปัดผลทางตัวเองนี่แหละท า, ทางที่ว่าเรานี่เคยปฏิบัติพวกโยมผู้หญิงก็เป็นภิกษุณีมาแล้วบวชมากับพระพุทธเจ้ามาหลายาศาสตร์หลายภพมาแล้วแอบพวกโยมผู้ชายก็เป็นพิสุมากับพระพุทธเจ้าแต่เรายังยึดติดอ่ะเรายังมายึดติดในกายติดอยู่ในกามจินเกียรติเนี่ยเรามาหลงอยู่ในที่นี่เราก็ได้มาเกิดอีกอ่ะเรื่อยเื่อยไปเรื่อยๆ ไม่รู้ว่าวันไหนเราจรึงจะได้รู้ได้เห็นถ้าเทียบ ว, ว่าพระพุทธเจ้าท่านนั่งอยู่ที่นั่นหกวันถ้าคิดแบบนี้ท่านอดทนอยู่นั่นหกปีท่านมาบำเพ็ญหกปีเวลาเราท่านนั่งภาวนาเนี่ยนั่งข้ามคืนไปเลยน ะ, อ, ะอันนี้เราเคยทำไหมเนี่ยเราก็มาบอกตัวเองเรามาสอนเทียบพระพุทธเจ้านะมาใส่ของเราท่านอดข้าว ท่านอดน้ํานั่งสละชีวิตอยากถ้าถ้าไม่รู้ไม่เห็นถ้าไม่ได้ตาสลูเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะไม่ลุกขึ้นจากที่นี่นั่นอันนี้พวกเราก็เหมือนกันถ้าไม่รู้สัตว์จะทำคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าให้มันตายไปเลยนี่ก็ตั้งดัดสันดานตัวเองแบบนี้อันนี้แหลาการที่ว่าการท่องเที่ยวมันไม่ใช่ว่ามันสนุกมันทุกข์ เกิดมาในสมัยสงครามยุคไหนก็ช่างละมันลบมันฆ่ากันมาตลอดะยุคคนเกิดมาถ้าเกิดขึ้นมาแล้วมันมีความโลภโกรธหลงมันไปแย่งกันยับแย่งเอาทรัพย์สมบัติเอาพื้นเพียนดินกันแย่งเอาข้าวของเงินทองเอาทรัพย์สมบัติแย่งกันอยู่แบบนี้อันนี้ว่ะเราเกิดมาทุกสิ่งทุกอย่างเรามาแสดงละครโลกหลายล้านเที่ยวให้พวกเราทุกคนน้อมแบบนี้ อันนี้ละให้ญาติโยมทุกคนเนี่ยให้มีกิจตั้งมั่นให้มีความตั้งสติจดจ่อเข้าไปพิจารณาให้ลู้เห็นสัจธรรมในภพนี้ชาตินี้อย่าคิดว่าตัวเองเออยังเพิ่งเกิดมาอย่าคิดแบบนั้นมันลอยกระแสโลกนี่หลายล้านเที่ยวมาแล้วให้เราคิดว่าเราเกิดมาหลายล้านเที่ยวก็ตายทุกชาติอ่าก็ตายมาหลายล้านเที่ยวเหมือนกัน อันนี้แหละถ้าเรายังยินดีอยากมาเกิดก็เท่ากับอยากจะมาตายเนะี่ยให้เราคิดสอนตัวเองแบบนี้อันนี้แหละให้ฝึกคัดตัวเองอย่าคิดว่าอาหลวงพ่อองค์นั้นจะพาพ้นทุกข์พ้นยากลําบากไม่ใช่แบบนั้นนะอันนี้เป็นตัวเราจะฝึกเองอเพราะใจของเรามันมีความโลภโกรธหลงอยู่ในใจของเราต้องหาวิธีดับ วิธีดับก็ออกมาจากที่เดียวกันน่แหละมันออกมาจากกายจากใจของเราเนี่แหละหาวิธีดับตัวนี้อันนี้ทุกคนที่ได้ยินได้ฟังแล้วก็น้อมเข้ามาสอนตัวเองอได้ยินได้ฟังแล้วก็แต่ว่าอุปมาเข้ามาหาตัวเองว่าตัวเองนี่มันเวียนว่ายตายเกิดมาลอยกระแสโลกนี่เกิดมาแล้วหลายแสนหลายล้านเที่ยวมาแล้วเคยเกิดเป็นพระราชาม า, ากริย์เป็นมหาเศรษฐีมา แล้วก็ตายจากเนี่ยเคยตกนรกหมกใหม่มาแล้วดับใหม่แบบนี้เกิดตายเกิดตายมาแบบนี้อันนี้เราให้พวกเราเล่นพิจารณาตัวเองฝึกหัดตัวเองให้เราได้รู้ได้เห็นสัจธรรมคำสั่งสอนในภพนี้ชาตินี้อันนี้ดีที่สุดนะถ้าเกิดชาติใหม่แล้วมันลืมแล้วมันลืมาชาตินี้เรายังรู้จักเราได้ยินได้ฟัง เรายัางจําได้เราจะปฏิบัติเอาสิ่งไหนที่ว่ามันสนุกมันเพลิดมันเพลินมันสะดวกสบายเนี่ยมันทุกข์กันทั้งนั้นแหละที่ไหนมีรักที่นั้นมีทุกข์เขาก็ล่องแบบนั่นแหละเราเกิดมาเรามาหลงเกิดแจ็เจ็บตายก็เพราะเรามีความรักเรามีความยึดเรายึดว่าของเราลูกเราหัวเราเมียเราเนี่ยเรามายึดสิ่งเหล่านี้ทรัพย์สมบัติเรารถเราบ้านเราเนี่ย มายึดแบบนี้อันนี้ทุกคนให้น้อมมาสอนตัวเราเนี่ยแหละให้พิจารณาลงมาแบบนี้ถ้าเราไม่ตั้งจิตตั้งใจประพฤติปฏิบัติเอาชาตินี้เราจะลอยกระแสโลกเกิดตายเกิดตายไปอีกไม่รู้ว่ากี่ภพกี่ชาติไปขานานะเอาพอสมควรเก๋เวลาแล้วก็ขอยุติลงแค่นี้เอาขอยุติแค่นี้